อดีตชาติที่ต้องชดใช้บ้านเช่าเฮียนใจกลางกรุงเทพสามสัมผัสสยองน้ำฝนเป็นผู้หญิงสวยแต่มีนิสัยดื้อรัน้นทั้งยังเป็นคนไม่ยอมใคร เมื่อครั้งที่เธอถูกเจ้ากรรมนายเวีมาเอาคืนทำให้น้ำฝนต้องทนทุกทรมานด้วยการปวดหลังและต้นคอทุกคืนบางคืนที่นิ้วมือของเธอก็มีรอยเกี่ยวช้ำอยู่ด้วยแต่น้ำฝนก็ไม่คิดจะทำบุญไปให้วิญญาณตนนั้นซ้ำยังด่าว่าท้าทายและอาฆาตกลับไปเสียอีกเมื่อท่านปู่จากสำนักคนทรง ได้เล่าเรื่องในอดีตชาติของน้ำฝนให้ฟังน้ำฝนจึงได้รู้สาเหตุที่ทำให้เธอเจ็บปวดทรมานในชาตินี้ถ้าใครอยากรู้เรื่องราวก่อนที่น้ำฝนจะมาพบท่านปู่โดยละเอียดสามารถกลับไปดูคลิปเรื่องบ้านเช่าเฮียนใจกลางกรุงเทพและวิญญาณตามหลอนจากอดีตชาติได้ครับน้ำฝนเล่า ว, ว่าเมื่อครั้งอดีตชาติน้ำฝนเคยเป็นหนุ่มชื่อเกรด และหลงรักกับหญิงสาวลูกครูสอนรำที่ชื่อจันเนื่องจากครอบครัวของฝ่ายหญิงมีฐานะดีกว่าทั้งบ้านของเกร็ดมากเกร็ด จ, จึงตัดสินใจเข้าไปร่วมกับกลุ่มโจรเพื่อหวังว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองกลับมาหาหญิงที่ตนรักโดยมีเพื่อนอีกสามคนตามเข้ากลุ่มโจรด้วยคือมิงกลาและยอดการเวลาผ่านไป เกรดเขาปล้นหลายบ้านจากที่เคยเป็นลูกน้องก็สังสมบารมีขยับเลื่อนขั้นมาเป็นหัวหน้าโจรเมื่อมีทรัพย์สมบัติจากการปล้นมากมายจึงคิดที่จะกลับไปหาจันญิงที่ตนรักแต่แล้วก็พบว่าจันได้แต่งงานกับชายอื่นไปเสียแล้วเกรดโศกเศร้าเสียใจมากที่ทนลำบากสังสมเงินทองมานั้นกลับไม่มีความหมายอะไรเลย ความหวังที่จะได้อยู่เคียงคู่กับจันต้องพังทลายลงจากความรักจึงกลายเป็นความแค้นเกรดจึงสั่งให้ลูกน้องมาปล้นบ้านของครูสอนดําทำลายบ้านย่อยยับทำให้ผู้คนหนีตายกันโอนละมานเก็ดสั่งให้จับจันมาทรมานโดยเอาหินทุบนิ้วมือจนกระดูกแตกแล้วนำหญิงสาวไปขังไว้ให้หมดทางหนี และไม่ให้มีใครสามารถที่จะมาช่วยได้ต่อมาเกรดให้ลูกน้องจับจันผูกติดกับต้นไม้แล้วเอาไม้ทุบที่หลังแต่ยังไม่สาแก่ใจในความแค้นเกรดเอามีดกรีดหลังของจันทำให้เลือดไหลเป็นทางหญิงสาวกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อทนความเจ็บแสนสาหัสนี้ไม่ไหวเธอจึงสลบไปเมื่อเกรดเห็นดังนั้น จึงหยิบดาบของตัวเองฟันที่คอของจันอย่างโหดเหี้ยมทำให้จันสิ้นชีพลงอย่างอเนตอนาตสะสมกระใจของเกร็ดที่ได้แก้แค้นอดีตคนรักแล้วจึงสั่งลูกน้องให้เอาศพและหีบที่ใส่เครื่องใช้ของจันไปฝังไว้ในป่านี่จึงเป็นสาเหตุที่วิญญาณของจันโกรธแค้นและตามอาฆาตน้าฝนมาจากอดีตชาติ ทุกคืนน้ำฝนจะมีอาการปวดหลังปวดต้นคอและมีบางคืนที่มีรอยเกี่ยวช้าที่นิ้วมือด้วยขณะที่น้ำฝนนอนทรมานอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงวิญญาณหัวเระาะสัดใจที่ได้เอาคืนก่อนหน้านี้ที่น้ำฝนยังไม่รู้สาเหตุเคยทำไม่ดีกับวิญญาณของจันเอาไว้มากทั้งด่าท้าทายและสาบแช่ง แต่เมื่อรู้เรื่องราวที่ได้ฟังจากท่านปู่ทำให้น้ำฝนเสียใจและคิดว่าจะขอชดใช้กรรมที่ตนเคยทำมาทุกวันนี้น้ำฝนยังคงหมั่นทำบุญให้จันอยู่เสมอและได้นำต้นสเสน่จันมาเลี้ยงไว้ที่คอนโดด้วยดูแลต้นไม้นี้อย่างดีเพราะเป็นต้นไม้ที่ทำพิธีกับวิญญาณของจันเอาไว้อาการปวดหลังและต้นคอ ที่น้ำฝนจะปวดทุกคืนยังคงมีอยู่แต่ไม่มากเหมือนแต่ก่อนน้ำฝนก็พยายามอดทนแม้บางทีจะเจ็บมากจนต้องดิ้นทุรนทุรายบนเตียงก็ตามน้ำฝนเคยคบหาดูใจกับแบงเมื่อตอนทำงานที่เดียวกันวันหนึ่งแบงกับน้ำฝนทะเลาะ ก, กันเพราะแบงอยากให้น้ำฝนไปทำพิธีต่อชะตา แต่น้ำฝนไม่อยากทำจึงมีปากเสียงขึ้นน้ำฝนขว้างตะกลุดและผ้ายันทิ้งไปได้วยความโมโหทำให้วิญญาณนางรำปรากฏตัวแล้วแบง ก, ก็เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตในเวลาต่อมาสร้างความโศกเศร้าให้น้ำฝนเป็นอย่างมากเมื่อน้ำฝนเดินทางไปตามแผนที่ที่ตาของแบงเคยให้ไว้ ทำให้น้ำฝนได้พบกับท่านปู่แห่งสำนักคนทรงท่านปู่บอกว่าเป็นเวรกรรมที่เคยทำด้วยกันมาแบงจึงมารับเคราะหแทนน้ำฝนแล้วท่านก็เล่าเรื่องราวในอดีตชาติระหว่างแบงกับน้ำฝนให้ฟังแบงคือเพื่อนที่เคยเข้ากลุ่มโจรด้วยกันกับน้ำฝนเมื่ อ, อดีตชาติขนาดนั้นมีชื่อว่าก้า หลังจากที่เกร็ดได้เข้าปล้นบ้านและสังหารจันอย่างโหดเหี้ยมทางครอบครัวของจันและทะหารก็ติดตามไล่ล่ากองโจรของเกร็ดเช่นกันทำให้เหล่าลูกน้องของเกร็ดล้มตายไปจำนวนมากจนเหลือคนติดตามเกร็ดเพียงน้อยนิดพวกที่ยังคงเหลือต้องลำบากลำบนหนีเอาตัวรอดอดอยากปากแห้งในที่สุดแล้วความเป็นเพื่อนก็ต้องแตกแยก เนื่องจากความคิดเห็นในการปล้นไม่ลงตัวกองโจรแตกเป็นสองกลุ่มเกร็ดแตกกอกมาอยู่กับเพื่อนอีกสองคนคือมิ่งและยอดส่วนกล้าแยกไปเป็นกลุ่มโจรที่โหดเหี้ยมมากเพราะค่าคนที่ไปปล้นยกบ้านไม่มีเหลือห่มขืนผู้หญิงทารุนแม้กระทั่งจับคนมาเผาทั้งเป็นครั้งหนึ่งกลุ่มของเกร็ดและกลุ่มของกล้าได้ปะทะกัน ทำให้มิงเพื่อนสนิทของเกร็ดตายไปด้วยความแค้นที่เสียเพื่อนสนิทจนทั้งสองกลุ่มจึงประกาศเป็นศัตรูกันขอกำจัดอีกฝ่ายให้สิ้นซากถ้าเจอกันที่ไหนก็จะมีเรื่องต่อสู้ให้ต้องบาดเจ็บล้มตายไม่นานทางการก็ส่งทหารมาตามล่าโจนทั้งสองกลุ่มทำให้พวกโจรหนีตายเข้าไปซ่อนในทรมเมื่อทหารตามมาถึงที่รรม ยอดได้สละชีวิตเพื่อให้เกร็ดหนีออกไปได้เมื่อกลุ่มโจรทั้งสองต้องหนีตายจากการตามล่าของทหารด้วยกันกลุ่มโจรของเกร็ดและกลุ่มของกลา้าจึงกลับมารวมตัวกันอีกครั้งโดยมีข้อแม้ว่ากลุ่มของกล้าจะต้องไม่ปล้นด้วยวิธีเหี่ยมโหดอย่างที่เคยทำเหมือนแต่ก่อนพอเล่ามาถึงตรงนี้น้าฝนก็ชวนผมไปคอนโด ที่อยู่ใจกลางกรุงเทพผมได้เห็นกระดานที่น้ำฝนใช้เพื่อติดต่อกับวิญญาณของจันและต้นว่านสเสนจันที่อยู่หน้าระเบียงห้องผมเห็นว่าเป็นต้นไม้ที่สวยงามมากแต่มันก็ทำให้ผมขนลุกเมื่อนึกถึงวิญญาณนางราที่ผมเคยเจอในบ้านเช่าสมัยที่ยังเรียนอยู่น้ำฝนยิบรูปแบงค์มาให้ผมดู เขาเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีเลยทีเดียวน่าเสียดายที่ต้องมาจากไปแบบนี้พอน้ำฝนเห็นรูปแบงก์ก็เริ่มน้ำตาคลอเบา้าผมเข้าใจว่าเธอคงจะคิดถึงแบงก์มากแล้วผมก็ขอให้น้ำฝนเล่าเรื่องอดีตชาติของแบงก์และน้ำฝนต่อน้ำฝนเล่าว่าเกร็ดและกล้าเป็นบุคคลอันตราย ที่ทางการต้องการจับตัวมากที่สุดถูกตั้งค่าหัวจนตน้องหนีการไล่ล่าเข้าไปกบดานในป่าเมื่อทนความอดอยากต่อไปไม่ไหวแล้วกลา้าจึงนำลูกน้องเข้าปล้นบ้านอีกโดยใช้วิธีที่เหี้ยมโหดเหมือนอย่างเคยทำให้เกรดไม่พอใจเข้าไปต่อว่ากลา้าต่อหน้าลูกน้องและครูว่าถ้ายังไม่เลิกทารุณคนที่ไปปล้นอีก เกรดจะยุบกลุ่มโจรและไปมอบตัวกับทหารกลาจึงรับคำแต่ในใจก็คิดจะกาจัดเกร็ดที่ทำให้ตนเองเสียหน้าต่อนหน้าลูกน้องวันหนึ่งขณะที่เกร็ดและลูกน้องเข้าไปป่าล่าสัตว์ก็พบกลุ่มทหารที่ออกตามล่าอยู่พอดีเกร็ดต่อสู้กับทหารและได้รับบาดเจ็บแต่ด้วยความเป็นห่วงกล้า เกร็ดจึงรีบกลับไปเตือนว่าทหารกาลังมาเมื่อไปเจอกล้ายังไม่ทันที่เกร็ดจะได้บอกข่าวาดกล้าซึ่งรอจังหวะที่เกร็ดกลับมาจา ก, การล่าสัตว์ก็ใช้ดาบฟันที่แขนของเกร็ดไมายจะกำจัดเกร็ดที่ทําให้ตนอับอายเกร็ดไม่ถือโทษกรดเคืองซ้ำยังพยายามเตือนให้กล้าหนีไปเพราะทหารกำลังจะมาแต่ก็สายไปเสียแล้ว ทหารตามมาถึงและได้ต่อสู้กับกลุ่มโจรทำให้โจรล้มตายไปจำนวนมากขณะที่ทหารคนหนึ่งกำลังจเจาดาบฟันกล้าเกร็ดได้กระโจนเอาตัวขวางทางดาบของทหารเอาไว้เกร็ดจึงถูกฟันเป็นแผลลึกเพราะกล้าเห็นดังนั้นก็รีบพาเกร็ดหนีออกไปแต่เกล็ดบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถเยียวยาได้สุดท้าย เกร็ดก็เสียชีวิตตายจากไปยังไม่มีวันกลับกล้าเสียใจมากที่มองความหวังดีของเพื่อนผิดไปซ้ำยังคิดร้ายต่อเพื่อนที่ยอมตายแทนตนได้จึงอธิษฐานว่าจะขอตามดูแลและปกป้องเกร็ดทุกชาติไปฝนเล่าต่อว่าที่แบงค์ต้องมารับเคราะห์แทนน้ำฝนก็เพราะเวรกรรมที่ทำด้วยกันมาตั้งแต่อดีตชาติ ทุกวันนี้น้ำฝนยังรู้สึกว่าวิญญาณแบงอยู่ไกลๆ ไ, ไม่จากไปไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งน้ำฝนเอางานกลับมาทำที่บ้านจนตัวเองหลับไปบนโต๊ะทำงานตอนที่นอนอยู่นั้นฝนรู้สึกเหมือนมีอะไรมาสัมผัสที่หัวไหลแล้วได้ยินเสียงบอกว่าให้ไปนอนที่เตียงน้ำฝนจึงสะดุ้งตื่นและคิดว่าแบงคงเป็นห่วง เลยมาเข้าฝันให้น้ำฝนไปนอนผมคุยกับน้ำฝนจนเห็นว่าจะค่าแล้วกลัวหารถกลับบ้านลำบากจึงขอตัวกลับแต่น้ำฝนยังอยากคุยต่อแล้วชวนให้ผมนอนที่คอนโดด้วยเพราะเธอเหงามากไม่มีเพื่อนคุยผมพยายามปฏิเสธไม่กล้านอนในห้องที่มีผีอยู่อย่างนั้นแล้วถามไปว่า หลังจากนั้นได้เจอวิญญาณของจันทร์บ้างไหมน้ำฝนตอบว่าไม่ค่อยเจอแต่มีอยู่คืนหนึ่งตอนนั้นน้ำฝนนอนเปิดทีวีทิ้งไว้แล้วก็หลับไปจู่จูก็รู้สึกว่ามีคนมานอนข้างๆเพราะเตียงมันยุบยวบลงไปก็เลยหันไปดูก็เห็นจันทร์นอนหันหลังให้น้ำฝนอยู่เล่าเธอก็เล่าต่อว่า น้องชายของน้ำฝนกับเพื่อนอีกสองคนเคยมาพักที่คอนโดนี้ตอนนั้นน้ำฝนไปดูงานต่างประเทศจึงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยวันนั้นน้องชายของน้ำฝนบังเอิญทำกระถางต้นว่านสเสนจันแตกจึงเอาต้นไม้ไปิดหิ้งโดยลืมไปว่าเป็นต้นไม้ที่ทำพิธีผูกกับวิญ ญ, ญาณของจันเอาไว้ทั้งที่น้ำฝนก็เคยบอกเอาไว้แล้ว คืนนั้นน้องและเพื่อนทั้งหมดสามคนนอนด้วยกันบนเตียงสักพักน้องของน้ำฝนก็รู้สึกเหมือนมีอะไรมาสะ ก, กิดที่ปลายเท้าเมื่อลืมตามองไปที่ปลายเตียงก็เห็นนางรำกำลังยืนจ้องมองดวงตาแดงกล่ำทั้งสามคนตกใจแทบช็อกตะเกียจ ต, ตะกายวิ่งหนีออกจากห้องไปเวลาผ่านไปได้สักระยะหนึ่ง แม้จะหายตกใจกันแล้วก็ไม่กล้ากลับไปนอนที่คอนโดต่อสุดท้ายจึงพากันไปนอนที่ร้านเกมตลอดทั้งคืนรุ่งเชา้าน้องชายของน้ําฝนก็จัดแจงซื้อกระถางมาปลูกต้นว่านสเสนจัน์ให้เหมือนเดิมเหตุการณ์ในคืนนั้นทําให้น้องและพวกเพื่อ น, นขวัญผวาไม่กล้ามานอนที่คอนโดน้ําฝนอีกเลยพอน้าฝนเล่าจบ ทำให้ผมตัดสินใจได้ทันทีเลยว่าจะขอกลับบ้านแต่ ท, ทนลูกอ้อนของน้ำฝนไม่ไหวจึงหลวมตัวตกลงนอนค้างที่คอนโดในคืนนั้นน้ำฝนจัดที่นอนให้ผมนอนที่พื้นข้างๆเตียงแล้วก็เดินไปหยิบต้นว่านสเสน่จันทร์เข้ามาในห้องนอนผมเห็นแล้วตกใจรีบถามไปว่าหยิบมาทำไมเอาไว้ข้างนอกระเบียงก็ดีอยู่แล้ว แ้น้ำฝนกลับตอบว่าไม่ได้ท่านปู่บอกว่าเวลานอนให้เอามาไว้ในห้องแล้วเธอก็ปลอบผมว่าผมคงไม่โดนวิญญาณหลอกหลอนเพราะผมไม่ได้ไปทำอะไรเขาแต่ผมก็ยังรู้สึกกลัวอยู่ดีจึงขอออกมานอนข้างนอกห้องผมขนที่นอนออกไปนอนข้างนอกน้ำฝนก็ตามมาคุยกับผมอีกหลายเรื่องเห็นได้ชัดว่าเธอคงเหงาจริงๆ อนน้ำฝนขอตัวไปนอนแต่ผมยังดูทีวีต่อระหว่างที่ดูทีวีไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนแอบมองผมอยู่ตลอดในขณะที่ผมกำลังเปลี่ยนช่องทีวีจะมีจังหวะที่จอเป็นสีดำสะท้อนให้เห็นเงาคนยืนอยู่ข้างหลังผมแวบหนึ่งผมคนลุกทันทีสักพักผมก็ได้ยินเสียงเหมือนคนมานั่งบนโซฟาข้างๆผม เมื่อผมหันไปมองก็ไม่เห็นอะไรผมจึงตัดสินใจปิดทีวีเพื่อเข้านอนจะได้หลับแล้วตื่นเช้าและจะได้ออกไปจากที่นี่เสียทีแต่อยู่ๆทีวีก็เปิดขึ้นเองผมคิดว่าเมื่ออาจจะไปโดนรีโมทก็ได้เลยปิดอีกครั้งแล้วก็เอารีโมทโยนไปอีกด้านหนึ่งของโซฟาให้ห่างออกจากตัว แต่แล้วทีวีก็เปิดขึ้นเองอีกผมพยายามทำเป็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอได้ยินเสียงฝีเท้าเดินตรงเข้ามาที่ผมเท่านั้นผมก็ไม่อาจทนนิ่งได้อีกต่อไปผมตะโกนเรียกน้ำฝนสุดเสียงเธอจึงรีบออกมาดูผมบอกน้ำฝนว่าเจอผีเธอจึงบอกให้ผมย้ายไปนอนข้างในห้องแต่ผมยังกลัวต้นว่านเสนจันอยู่ จึงขอให้น้ำฝนย้ายต้นว่านสเสนจันจากข้างเตียงใกล้กับที่นอนผมไปไว้ที่อื่นน้ำฝนจึงย้ายเอาไปไว้ที่มุมห้องแล้วผมก็ได้นอนจนหลับไปแต่แล้วผมก็ต้องตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะรู้สึกว่ามีอะไรมาเขี่ยที่ปลายเท้าแต่ตอนนั้นในห้องมืดมากจึงใช้ไฟจากมือถือส่องไป แล้วผมก็ได้เห็นผีนางรำกำลังนั่งอยู่ที่ปลายเท้าของผมผมควันกระเจิงรีบตะโกนเรียกน้ำฝนให้ตื่นตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมนอนต่อไปไม่ไหวแล้วบอกน้ำฝนว่าผมจะกลับน้ำฝนก็บอกว่าดึกแล้วให้ใจเย็นๆแล้วให้ผมไปบอกพี่จันว่าจะมานอน ผมจึงตัดสินใจเดินไปหาต้นว่านสเสน่จันต้นนั้นแล้วบอกว่าพี่จันผมขอนอนคืนหนึ่งนะครับแล้วผมก็ไปนอนต่อพอนอนไปได้สักพักก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกําลังคลานเข้ามาใกล้ๆที่ผมนอนผมคิดว่าคราวนี้ต้องตายแน่ๆแต่เสียงคลานนั้นก็หายไป แล้วผมก็ได้ยินเสียงน้ำฝนร้องไห้จึงชะโงกหน้าไปดูบนเตียงก็เห็นน้ำฝนนอนขดตัวอยู่สงสัยว่าจะปวดหลังมากขณะที่ผมกำลังจะอ้าปากเรียกน้ำฝนก็ได้ยินเสียงเหมือนคนหัวเราะนี่คงเป็นอย่างที่น้ำฝนบอกว่าวิญญาณของจันร์มาเอาคืนทำให้ผมสงสารน้ำฝนมากน้ำฝนต้องอดทน และพยายามทำบุญให้ทุกวันจนกว่าวิญญาณของจัน์จะให้อภัยซึ่งจะเป็นเมื่อไหร่นั้นก็ไม่มีใครตอบได้รุ่งเช้าน้ำฝนก็อาสาขับรถไปส่งผมที่ปทุมธานีแต่ก่อนกลับเธอชวนผมไปบ้านเช่าหลังนั้นอีกครั้งเพื่อไปรำลึกถึงความหลังที่ผ่านเรื่องสยองกันมาได้น้ำฝนบอกว่าบ้านเช่าแห่งนี้ คือจุดเริ่มต้นของการชดใช้กรรมวิญญาณของจันเจ้าชีวิตน้ำฝนตอนนั้นก็ได้แต่เขาอยากให้น้ำฝนได้สำนึกผิดและชดใช้ให้เขาน้ำฝนยกมือไหว้และพูดว่าขอบคุณพิจันทร์ที่ให้โอกาสชดใช้ในชาตินี้ตอนนี้น้ำฝนต้องทนรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ด่าไม่ท้าทายหรือสาปแช่งอีกต่อไป ถึงแม้ว่าผมอยากจะช่วยเพื่อนแต่น้ำฝนก็บอกว่าเรื่องกรรมไม่มีใครช่วยได้ให้เขาทวงในชาตินี้เลยก็ดีชาติหน้าต่อไปจะได้ไม่ติดค้างกันอีก ผัดสยอ